แกนึกว่าฉันขี้ขาดจนถึงกับปล่อยให้แกยิงธนูติดในโตตามลาพังคนเดียวนึกหรือแกรู้จักรพินภัยวันมาแล้วแค่ไหนแง่สายก้มศีรษะให้ลิมฝีปากยังพรายไปด้วยรอยยิ้มผมรู้จักผู้กองมาดีพอทีททเดียวครับทั้งที่เห็นด้วยตาและทั้งกิติศัพท์และขอสาบานว่าไม่ได้มีเจตนาจะหมิ่นอะไรผู้กองเลยในข้อแนะนาเมื่อครูน่นี้เพียงแต่ตั้งเป็นข้อแม้ว่า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 ทีนี้ระหว่างชีวิตของผู้กองกับชีวิตของแง่ทรายราคามันเทียบกันไม่ได้ใช่ราคาชีวิตของคนเรามันไม่เสมอกันหรอกแต่เกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชายมันมีค่าทัดเทียมกันเสมอเอาละ่ะขอให้แกรู้ว่าเป็นอันแน่นอนฉันจะเป็นคนจุดสายชนวนให้แกนให้แกยิงธนุเองชัยยันออกมาตามเขาก่อนเวลาอาหารเที่ยงเล็กน้อย เพื่อให้เขาไปช่วยกันจัดการกับระเบิดไนโตรทั้งสองทดลองเวลาของสายชนวนจนเป็นที่แน่ใจแล้วก็ติดเข้ากับระเบิดไม่ใช่งานที่ลำบากยากเย็นอะไรสักนิดสำหรับผู้ชำนาญแต่จะย่างไรก็ตามต้องอาศัยความรอบครอบระมัดระวังอย่างเข้มงวดที่สุด mm hmm. การเล่นกับระเบิดก็คือการเล่นกับงูเห่าเราดีๆนี่เองประมาทเผลอเพียง น, นิดเดียวมันอาจหมายถึงชีวิต เชษฐาคอยนั่งควบคุมและแนะนำอยู่ใกล้ๆไม่นานนักระเบิดในโตัวจำนวน1ิบลูกก็พร้อมที่จะมัดติดกับดอกธนูของแง่ายได้ตามแผนแต่เราจะไปลองกันที่ไหนดีชา ย, ยันถามเปลยขึ้นริมผาตาัดท้ายหมู่บ้านนี่ก็ได้ครับให้แง่ายยิงลงไปยังเป้าหมายข้างล่างพลาดพังลูกธนูไม่วิ่งออกไปอย่างที่คิดไวอย่างไรมันก็หลุดร่วงลงไปข้างล่างพวกเราอยู่ข้างบนย่อมปลอดภยัย ระพินบอกอย่างรอบคอบดีหาที่รองไอ้ที่มันปลอดภัยเอาไว้ก่อนเชษฐาย้ำเตือนมาหลังอาหารเที่ยงระพินไปง่วนอยู่กับพวกปลูกสร้างที่กําลังระดมกันอยู่อย่างวุ่นวายพวกลูกหาบและพานพื้นเมืองของเขาอยู่ว่างๆไม่มีอะไรจะทําก็เข้าช่วยเหลือด้วยอย่างแข็งขันอาศัยจํานวนคนมากได้เรือนแบบบ้านป่าอันไม่มีอะไรจะต้องประนีตพิถีพิถันนะักพอตกบ่ายก็พอจะมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้น พลานใหญ่กำลังยืนคุมงานปลูกสร้างตะโกนสั่งน่นสั่งนี่บุ่นวายอยู่ก็ต้องหันขวับมาเพราะมือของใครคนหนึ่งวางมาที่ไหล่จากเบื้องหลังเชิฐานนั่นเองราชสกุลหนุ่มเดินขยเยกเข้ามาเมื่อไหล่เขาไม่ทันรู้ตัวติดตามมาด้วยเพื่อนชายและน้องสาวคนสวยซึ่งวันนี้เพิ่งจะเห็นหน้าถนัดเอาตอนนี้เองใบหน้างามดวงนั้นเคร่งขึมเฉยเมยไม่ยอมมองมาที่เขา เลี้ยงไปยืนกอดอกมองดูรูปบ้านที่กำลังปลูกสร้างอยู่ทางหนึ่งคณะนายจ้างทั้งสามคงจะตามออกมาดูการปลูกสร้างด้วยนั่นเองแหมลงแรงกันได้เร็วดีเหลือเกินเชษฐากล่าวยิ้มยิ้มมือยังวางอยู่บนไหลของเขาผมสั่งให้เขายกพื้นเตี้ยนหน่อยครับสูงขึ้นมาเพียงเม็ดครึ่งเท่านั้นเพื่อให้คุณชายพอจะขึ้นลงได้โดยสะดวกสาหรับระยะนี้พรุ่งนี้ก็คงเสร็จระผินบอกอ่อนโยน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 ยกเว้นแต่ดาลินคนเดียวผู้ยืนเค้่งกลิมเงียบเฉยอยู่น้อยเป็นอะไรไปหรือวันนี้ไม่เห็นออกความเห็นอะไรบ้างเลยเธอควรจะดีใจเป็นพิเศษที่นายช่างรับเหมาระพินอุตส่าห์ไม่ลืมห้องน้ำสำหรับเธอเพื่อนชายหันไปทางนักมนุษย์วิยาสาวร้องบอกมายิ้มยิ้มหม่อมราชวงศ์คนสวยผู้นอนไม่ค่อยจะลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้เบะปากจะเป็นช่างรับเหมาหรือสถาปนิกคนใดก็ตาม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 ตั้งแต่เช้ามาแล้วไม่เห็นก็อย่าพูดอะไรเลยวันนี้พออ้าปากออกมาทีก็ได้เรื่องเลยอย่าไปเอาเป็นอารมณ์เลยนะผู้กองเจนนิสัยกันมาดีแล้วไม่ใช่เลยพรานหยายยิ้มแห้งๆก็ถูกของเธอเหมือนกันแหละครับที่ว่ามองดูเหมือนโลงหนังตะลุงอุตส่าห์ให้เกียรติว่าเป็นโรงหนังตะลุงนะดีแล้วดีที่เธอไม่ว่าเพลิงหมาแงานซึ่งผมก็ไม่มีทางจะเถียงได้เลยพี่ชายที่มีน้องสาวสวยปากจัดหัวเราะออกมา วันนี้ท่าทางอารมณ์ไม่อยู่กระร่องกระลอยอยังไงไม่รู้เห็นเครียดมาตั้งแต่เช้าวกว่าแง่สายจะทำลูกธนูเสร็จครบตามจำนวนที่ต้องการก็ล่วงเข้าไปบายจัดพอแดดร่มลมตกคณะทั้งหมดก็พากันมายังบริเวณริมหน้าผาตัดท้ายหมู่บ้านขยีนและพวกชาวบ้านแทบทั้งหมดพากันยกขบวนติดตามมาดูการทดลองธนูของแง่สายด้วยความอยากรู้อยากเห็น หัวหน้าบ้านที่โวอดไม่ได้ที่จะคุยฟุ้งเรื่องฝีมือยิงธนูของตนแล้วขอขันธนูของแง่ท า, ายไปดูทำท่าทรมัดทะแมงลองเหนียวสายแต่แล้วก็หน้าเบี้ยวตาเลรีบส่งคืนให้โดยเร็วเพราะหลังสายธนูไม่ลงทั้งทั้งที่รูปร่างก็สูงใหญ่แข็งแรงธนูของเจ้าเหมือนทำไว้ไม่ให้คนยิงข้าเป็นคนที่แข็งแรงที่สุดในหมู่บ้านนี้เมื่อข้ายังเหนียวสายธนูอันนี้ของเจ้าไม่ลง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 แลดูเป็นมันระยับประหนึ่งอาบวิดุจทองหยิบดอกธนูสำหรับใช้ทดองทิศทางดอกหนึ่งหัวไม่ได้หุ้มโลหะเพียงแต่เสี้ยมปลายแหลมและลนไฟไว้จนแก่งขึ้นผ้าสายสายตาอันคมเฉียบสุกใสจับจ้องไปยังมะฆ่าต้นหนึ่งขนาดสองคนโอบซึ่งยืนต้นหยุดยังชายเนินฝ้าตรงข้ามระยะห่างลงไปประมาณ60สหลาที่กลางลำต้นปรากฏเป็นโพรงใหญ่อันมองห็นอย่างถนัด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 รับกับแผงอกรูปตัววีและพิปตานั้นเองคันธนูก็ถูกเหนี่ยวสายอย่างรวดเร็วจนดูแทบไม่ทันปรากฏเสียงดังกึบออกไปพร้อมกับขนนกตัดอากาศคลางวืดหวืออึดใจต่อมานั้นเองก็ปรากฏเสียงฉึกขึ้นที่มะฆ่าต้นนั้นได้ยินมาอย่างถนัดมองเห็นขนนกท้ายดอกธนูสั่นริ้วอยู่ในตำแหน่งโปรงมะ่าแม่นยาเหมือนเสกดิมท์ทามกลางทุกสายตาที่เฝ้ามองดู เขายินพึนพมพำอะไรออกมาในลำคอฟังไม่ได้สับพวกลูกบ้านทุกค น, กคนส่งเสียงจัากจักขึ้นเช่าถากับชา ย, ยานบีดมือแรงๆอย่างพึงพอใจสุดขีดแม้ดาลินผู้ไม่มีใครเห็นร่อนยิ้มเลยตั้งแต่เช้าเป็นต้นมาก็ปรากฏ ร, รอยยิ้มชื่นชมออกมาตาทั้งคู่เป็นประกายตบมือเบาๆร้องออกมาเสียงหวานใสเก่งมากไงทายเธอทาให้ฉันชื่นใจเหลือเกินระพินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนมองดูอยู่อย่างสงบ อย่างไรก็ตามแสงเห็นความพอใจและเชื่อมัน่นปรากฏในแววตาของเขาขณะที่มองนิ่งไปยังเจ้าคนดงคู่ปรับขยินเสยยิ้มพูดมาอย่างไม่ยอมแพ้ ง, ง่ายๆตามสัญดานคนขี้คุยเจ้ายิงธนูได้ดีก็จริงแงซายแต่สู้หน้าไม้อาบยางน่องของข้าไม่ได้หรอกดาลินอดขวางเจ้านักเกรงดอยจอมโมอยู่ไม่ได้ก็เอาธนูดอกหนึ่งที่ถืออยู่ในมือของรอนเคาะไปที่ไหล่ของ ข, องขยินแล้วบอกว่า ข้าจะเตือนเจ้าไว้ด้วยความอินดูขยินคนเก่งคนมีฝีมือเขาไม่คุยหรอกอีกสักประเดี๋ยวเจ้าจะเห็นกับตาว่าธนูของแง่ทรายมีอภินิหารร้ายกาจเหนือกว่านหน้าไม้อาบย่างน้องของเจ้าเช่นไรบ้างธนูของเทวดายังไงก็อย่างนั้นขยินยิ้มแย่ๆเจ้านักเกรงชาวดอยไม่เคยเกรงกลัวใครนอกจากรพินเพียงคนเดียวมาบัดนี้มันดูเหมือนจะขยาดแม่มดโฉมงามเสียยิ่งกว่าพรานใหญ่รพินเสียอีก ถอยออกไปยืนกอดอกมองดูอยู่เฉยไม่พูดชิ้นใดอีกแล้วผีนก้าวเข้ามาชิดแง่ายส่งดอกธนูสําหรับทดลองขั้นที่สองให้คราวนี้ลองดอกนี้มีท่อนไม้น้ําหนักและขนาดเท่ากับระเบิดไนโตรผูกติดอยู่กับดอกธนูด้วยดยูซิว่ามันจะพาไปได้สักขนาดไหนแง่ทายไม่กล่าวอะไรแม้แต่คำเดียวรับลูกธนูมาผ่าสายอีกครั้งเล็งไปยังเป้าหมายเดิมโดยกะวิธีโค้งเล็กน้อยเพื่อสาหรับน้ําหนักที่ถ่วงไว้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 ยิงธนูได้ดีกว่าเป็นเสี้ยอีกแล้วกะมังชายันหันมากระซิบกับเชษฐถาแบบนี้ก็เสร็จแน่หัวหน้าคณะร้องออกมาอย่างยินดีแล้วสั่งล้พินว่าให้ยิงของจริงได้แล้วลพินลูกธนูพาน้ำหนักขนาดในโตไปได้สบายทีเดียวก่อนอื่นตอนพวกชาวบ้านนี่ถอยออกไปให้ห่างหน้าผาหน่อยใครเอาลูกเด็กเล็กแดงมาก็ให้เอากลับไปบ้านเส้ะปะเดี๋ยวได้ตกใจต า, ตายกันบ้างเท่านั้นล้พินหันไปส่งภาษากับขยิน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 ทำไมหรือไงทำไมหรือนายหญิงขยินหน้าตื่นแม่มดคนสวยซ่อนยิ้มปั้นสีหน้าเคร่งขึมข้าเสกสายฟ้าไว้ในธนูดอกนั้นทันทีที่ธนูปักเป้าหมายฟ้าจะพามาตรงที่ธนูปักหัวหน้าบ้านตาเหลือกอ้าปากหัวทำหน้าเลือกลักแล้วหันไปมองดูระพินถามเหมือนเสียงกระซิบจริงอย่างที่นายหญิงว่าหรือจอม่านกัดริมฝีปากต้านหัวเราะ ชำเลืองไปทางหญิงสาปเป็นการสบตากันครั้งแรกสำหรับวันนี้แต่ก็พบกับการค้อนอย่างน่ากลัวแล้วก็สะบัดหน้าไปสีอีกทางหนึ่งเขาอดนึกชม ช, มชาวปฏิพานของหลอนไม่ได้ดาดินเลือกโอกาสสำแดงอภินิหารให้ขยินเห็นอย่างเหมาะเจาะหรือเกินจริงขยินถ้าเจ้าไม่เชื่อก็คอยดูเจ้าอาจหูแตกล้มลงทั้งยืนก็ได้ถ้าเจ้าไม่ทาตามที่นายหญิงสั่งเขาผสมลงยกฐานะแม่มดให้มีริษณ์จริงขึ้น แล้วหยิบธนูที่มีในโตผูกติดอยู่ก้าวเข้ามาหยุดยืนเคียงอยู่ทางด้านซ้ายของแง่ทรายผูย้รอคอยอยู่พร้อมแล้วตาต่อตาศพกันนิ่งเอาละไงทรา ย, ายทีนี้ก็ถึงของจริงแล้วเมื่อแกเอาธนูขึ้นผ้าสายรอคอยฟังสัญญาณจากฉันให้ดีเมื่อฉันสั่งให้ยิงแกก็เหนี่ยวสายปล่อยธนูออกไปทันทีลิมฝีป่ากคู่นั้นสยายกว้างออกผมจะฟังสัญญาณจากผู้กอง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 ก็คว้าสอนพมมาดขึ้นผ้าสายอย่างระมัดระวังจับตานิ่งไปยังเป้าหมายอันเป็นโพงมะฆ่าที่เดิมพร้อมแล้วยังพร้อมครับระวังปลายบุหรี่ติดไฟของรพินก็แตะหมับเข้าที่ชนวนอันไวไฟยิงเขาตะโกนสุดเสียงแง่าสายสุดรมหายใจเขาเต็มปอดเหนี่ยวสายธนูสุดล้าแล้วปล่อยปื้มออกไปทันทีที่ลูกธนูทยานหลุดออกไปจากแหล่ง บิ่งตัดอากาศเขาหาเป้าหมายทั้งแง่สายและเพียก็ซุดตัวลงนั่งพร้อมๆกันโดยไม่ได้นัดกันไว้ลูกถนูแล่นเขาหาที่หมายของมันอย่างไม่มีการคาดเคลื่อนคันแล้วช่วงอึดใจนั่นเองกัมปนาสเทือนเรื่อนร่านราวกับตระเองก็สุดานคืนขึ้นกานว่นาหน้าผาทุกที่ทุกคนอยู่ในขณะ น, นี้จะพลิกคว่ถล่มทลายลงขยีนเป็นผู้เดียวที่ยืนเซ้อซ่าอยู่ ล้มกระแทกก้นจ้งเ้าลงกับพื้นรู้สึกเหมือนถูกธรณีสูบภาพที่เห็นเปลวไฟแรบว่าขึ้นที่โพรงกลางลำต้นของมะข่าใหญ่อนันเป็นเป้าหมายแล้วพยาไม้ก็ถึงการพินาสคาสบันในกริปตาสมจริงตามที่ดารินพูดขู่ขยินไว้มันราวกับว่าสายอสุรีบาทฟาดลงมาเชินนั้นลำต้นท่อนบนค้อนกลืนลงมา พร้อมกับม่านควันอันหนาทึบและประกายไฟที่แลบลุกติดถือขึ้นยังตำแหน่งรอยที่ถูกตัดขาดนกกาลิงข้างบางชนีและสัตว์ประสาทที่หากินอยู่ในรัศมีใกล้เคียงแตกตื่น ก, กรูเกลียวเสมือนหนึ่งเกิดมิกสัญญีปา่าถล่มพวกลูกบ้านของขยีนที่ยืนจับกลุ่มกันอยู่ห่างออกไปทางเบื้องหลังพากันพงะหลังแต่คือวิ่งหัวซุกหัวซุนกลับไปยังเขตหมู่บ้านอย่างเสียขวัญทั้งทั้ที่ก็ไม่ทราบต้นสายตายเหตุ แล้วพินลุกขึ้นเดินเข้ามาจุดแขนขยินผู้มีสีหน้าอันซีดขาวด้วยความตกใจสุดขีดให้ยืนขึ้นมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่คณะนายจ้างพากันออกมาจากที่กำบังได้ผลร้อยเปอร์เซ็นเต็มเราได้สอนพมมาสของพระรามไว้ใช้แล้วชา ย, ยานร้องออกมาอย่างริงโลดปีเข้ามารูปหน้ารูปหลังแง่ท า, ายอย่างตื่นเต้นดีใจเหลือขนาดล่าจาัดสกุลสองพี่น้องก็เต็มไปด้วยความสมหวังปลื้มปิติ เชษฐาส่งมือมาให้เจ้าของธนูจับแล้วบีบเขย่าโดยแรงวิเศษมากแงซายธนูของแกช่วยให้พวกเราหมดวิตกกังวลอีกต่อไปมันจะต้องสังหารงูยักษ์ตัวนั้นได้อย่างศักดิ์สิทธิ์ยิ่งเมื่อวินาทีจำเป็นขีดสุดมาถึงขอให้แกจงยิงธนูติดในโตให้ได้เหมือนอย่างที่ยิงให้ดูนี่ก็แล้วกันงแงซายไม่ตอบเพียงแต่ยิ้มน้อย้อยตาจับนิ่งไปยังต้นไม้ที่ขาดสะบ้นและมีไฟลุกอยู่ด้วยความพอใจ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 นายหญิงของขยินมีอำนาจยิ่งกว่าแม่มดหมอผีคนใดที่ขยินเห็นมาเรียกสายฟ้าให้ลงมาอยู่ในรูปธนูก็ได้ถ้าเจ้ายังแทงใจจะให้ข้าเรียกสายฟ้าลงมาสิงอยู่ในธนูและให้แง่าสายยิงเข้าไปในหมู่บ้านของเจ้าดูอีกทีก็ได้เอาไหมขยินตาเหลือกโบกมือหรา้าร้องร่ำ ร, รักขยินเชื่อแล้วขยินไม่ต้องการลองอาคมของนายหญิงอีกแม่มดจำเป็นยิ้มออกมานิดหนึ่งพยักหน้า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 จะไม่เป็นอันตรายใดๆกับใครทั้งสิ้นขยินรับคำแล้วเดินหน้าเลิศไปทันทีพอร่างของนักเลงชาวดอยหายหังออกไปชายยานผูกกั้นไว้นานแล้วก็ปล่อยออกมางอหายน้อยบทบาทไม่หมดของเธอยากเยี่ยมมากเล่นเอาเจ้าขยินนั้นกลัวรานไปเลยเด็ดแท้เออแนะ่นึกไม่ถึงว่าจะแสดงได้ถึงบทแบบนี้เพื่อนชายพูดพางหัวเราะพางดาลินหันมาพูดสบัด ก็ทุกคนต้องการให้ฉันเป็นแม่มดไม่ใช่เลยฉันก็เป็นอยู่นี่ไงไงทำหัวเราะดีไปเถอะเดี๋ยวก็สาบเสียให้ขากันไก่ค้างหุบไม่ลงอยู่นั่นเองแล้วหล่อนก็หันมาทางแง่ทรายพูดเรียบๆหน้าตาเฉยว่าถ้าถึงเวลายิงธนูระเบิดขึ้นจริงๆอยากจะขอร้องอะไรเธอสักหน่อยจะช่วยทำให้ได้ไหมคนใช้ชาวดงพาซื้อนายหญิงจะให้แง่ทรายทาอะไรหรือครับหมายตา หาที่หลบกำบังไว้ให้ดีก่อนแล้วทำลูกธนูให้มันตกลงใกล้ๆตัวเองกระโดดหลบเสียถ้าทำได้สำเร็จจะให้รางวัลเฟ้ยชายยันตาเหลือกร้องร่นออกมาคนจุดสายชนวนที่ยืนอยู่ข้างก็แหลกเป็นผงไปเนี่สิอ้าวก็ไม่ได้เถียงอะไรนี่นะว่าแล้วหล่อนก็เดินเลี่ยงออกไปยืนอยู่ชิดชายหน้าผาตัดยกกล้องสองทางไกลที่คล้องคออยู่ขึ้นสอง ดูผลปฏิบัติการของระเบิดนโตอันมีลูกธนูเป็นพานะลูกนั้นอย่างใกล้ชิดชายยันหัวเราะหึหึมองหน้าแงสา่สผู้ยืนยิงฟันยิ้มอยู่หวังว่าแกคงไม่บ้าอยุททำตามที่นายหญิงบอกตะกี้นี้นะนี่มันแผนฆาตกรรมชัดๆนายหญิงของแกคนนี้บ้องบอยู่ไม่ค่อยจะเต็มเต็งนะกหรอก บ, บางทีเขาก็ไม่รู้เขาพูดหรือทาอะไรออกไปใช่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 และโดยที่ตนเองก็ไม่รู้สึกตัวว่ามันน่าจะให้แง่ท า, ายทำตามแผนการของคนสวยแต่ใจร้ายดูซักทีเหมือนกันระพินภัยวันจะได้ตายเสียรูแ้วรูอดไปอยากดูเหมือนกันว่าคนวางแผนจะปราบปลื้มสมมนัดสักเพียงไหนเมื่อคู่อริที่ชื่อระพินคนนี้ตายลงได้สมกับที่มั่นหมายอาฆาตมาดร้ายนักเชษฐามไม่สมใจและไม่เอาเป็นอารมณ์ในคาพูดของน้องสาว เพราะลำคานหูมาตลอดเวลาแล้วหันไปสอบซักแง่ทายแรดอพินเกี่ยวกับเรื่องธนูติดระเบิดอยู่สักครู่ก็บอกว่าเอาละลองของจริงกันเพียงลูกเดียวแค่นี้ก็รู้ผลชัดแล้วสบายใจได้กลับไปที่แคมป์กันเถอะอาหารข้ามมื้อนั้นพรานใหญ่หายไปอีกตามเคยคงมีคณะ น, า, นายจ้างรับประทานการตามลพังเท่านั้นมิหนาซ้าหลังอาหารอันเป็นเวลาพักผ่อนก่อนเข้านอน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 เที่ยงคืนแล้วดาดินวราฤทธิ์ยังไม่ดับหญิงสาวพลิกตัวนอนหงายทอนใจยาวอย่างรำคาญตัวเองทันใดโสดก็แววเสียงคนพูดกันพึมพำอยู่หน้าเต็นต์หลอนเปิดเปลือกตาขึ้นมองฝ่ามุ้งสนามออกไปด้วยความชงนจากแสงไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้เป็นประจำทุกคืนหน้าเต็น์เงาของคนสองคนปรากฏเป็นภาพอยู่ที่ประตูกระโจมเงาหนึ่งสูงใหญ่ จำลักษณะได้ว่าเป็นแง่ทรายส่วนอีกเงาหนึ่งเดาไม่ถูกหล่อนคงนอนสงบนิ่งอยู่เช่นนั้นแต่เงียจับเสียงซึ่งฟังไม่ถนัดนักต่อมาก็เห็นแง่ทรายโผล่เข้ามาในเต็นท์มองมาอย่างเตียงของหล่อนแล้วกวาดมองไปรอบๆเหมือนจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งชั่วอึดใจก็ผลักกลับออกไปอีกนายหญิงหลับไปตั้งนานแล้วฉันไม่กล้าปลุกหลอกลุงคามีเสียงสะบดลำดพัง พึมพามดังมาจากผู้ที่พูดอยู่กับคนใช้ชาวโดงของรอนในขณะนี้แล้วก็ได้ยินเสียงที่จำได้ว่าเป็นบุญคําผลานเท่านายหญิงหลับเอ็งก็ช่วยขโมยย้ายทีเถอะวะแง่าสายเอ็งต้องรู้ดีว่านายหญิงเก็บยาไว้ที่ไหนฉันหยิบให้ไม่ได้หรอกลงุงฉันไม่ใช่หมอไม่รู้จักยาเดี๋ยวหยิบผิดไปให้ไปก็ยุ่มขันใหญ่เท่านั้นเสียงบุญคาจุ๊ปากจิกจักยืนกระสับกระสายอยู่หน้าประตูเต็น ตายโหงแล้วจะทํายังไงดีละวะเองไม่กล้าปลุกนายหญิงตรงๆก็ย่องเข้าไปเตะไอ้มุเขาสักป้าผอวพอไอ้มุมันร้องขึ้นนายหญิงท่านก็ตื่นขึ้นมาเองแหละแต่ผ่านเท้าแห่งขาวอึมครึมแนะนําโธ่ลุงคําพูดเป็นบ้าไปได้ไม่เห็นรลยนางอ้วนมันนอนเฝ้าผัวมันแจไม่ยอมห่างอย่างนั้นลองฉันไปเตะผัวมันเข้าอย่างลุงว่าสิมันไม่เอามีดควานไส้ฉันขาดไปหรือเออเนะีย่ยยุดีแล้วนี่ล่ะ ลุงเก่งจริงลุงไปเตะไอ้โมเองดีกว่าฉันไม่มกล้าหรอกกลัวนางอ้วมันเอาตายนั่นก็ไม่สําคัญเท่ากับว่ามันจะต้องฟ้องหนายหญิงด้วยคราวนี้ฉันก็เลยยำหมาดาลีนพอจะจับเสียงพูดซุบซิบโต้เถียงกันอยู่หน้าเต็นท์ได้เราเล่าลุกขึ้นเปิดมุ้งออกมาแงาซายหล่อนเรียกออกไปเบาๆเสียงพูดกันซุบซิบนั้นหยุดไปในทันทีเงียบนิ่งกันไปหญิงสาวเรียกซ้ําไปอีกครั้งจึงมีเสียงขานรับ แล้วแง่าสายก็โผล่เข้ามาอะไรการมีอะไรหรือใครมาพูดอยู่หน้าเต็นลุงบุญคําครับบอกให้บุญคำเข้ามาข้างในนี้สิดารินออกคําสั่งพร้อมกับลุกขึ้นยืนรวบผมสยายรัดไว้ด้วยยางแง่าสายผูกออกไปอือใจเดียวบุญคําก็โผล่หน้าเลี่ยเลี้ยเข้ามาย่องตัวรีบเข้ามายิ้มแยแยอ้านายหญิงตื่นพอดีถ้าไม่ตื่นเจ้ามุกของฉันก็คงจะถูกบุญคํารังแกเอา เพื่ออาศัยเสียงร้องของมันให้ไปปลุกชั้นอีกทีก็เลยรีบตื่นดักหน้าซิก่อนโ oh, อ้พระพุทธโถผมเปล่า <c oughs> บุญคำร้องทำหน้าม้อยหลบตาหัวเราะแหะแก้เก้อดาลินโครงศีรษะชา้ชาๆมองดูตะผานเท่าอย่างกึ่งขันกึ่งฉิวชี้หน้าใจร้ายนักนะเราจับได้คานังคาเขาทีเดียวคิดจะรังแกแม้กระทั่งคนเจ็บจะตายอยู่แล้วเพียงแค่จะเอาประโยชน์ของตัวเอง ตัวไม่ลงมือก็ยังยุคคนดีๆเขาเสียอีกเอาหรือฉันจะให้แง่ท า, ายบอกนางอ้วว่าบุญคํายุให้เขายังไงแฮ่ผมพูดเล่นนะครับนายหญิงอย่าบอกนางอัวเดี๋ยวมันฆ่าบุญคําหล่อนคอนให้อดทุระออกมาไม่ได้อ๋อทีอย่างนี้เรารู้จักกลัวใช่สินางอัวมันเล่นงานบุญคําตายแน่ถ้ามารู้ว่าบุญคําวางแผนยุแง่ทรายยังไงสั่งไว้หลายครั้งแล้วว่ามีทุระอะไรจําเป็นก็ให้ปลุกได้มายืนจดจดจ้องจ้อ ง, องวางแผนอยู่ได้ มันน่าเขียนนักเอา้าฉันตื่นแล้วมีอะไรก็ว่ามาได้ยินแววแวแวเรื่องอยู่เรื่องยาใครๆเป็นอะไรหรือแต่ผ่านเท่าจอมกระลอดยืนอึดอักยิ้มแห้งๆอยู่พักพอหล่อนถามซ้ำมาก็บอกอ้อมแอมว่าผมจะมาขอยาแก้ไขในหะญิงครับในแพทย์สาวขามวดคิ้วถามมาเสียงหนักๆฉันถามว่าใครเป็นอะไรจะมาขอยานะ่ะรู้แล้ว